พระธรรมาเทศนาแผ่นที่98าดลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่8เมษายน2559มีชื่อเรื่องว่าการภาวนาพุทธพาดำเนิน ขอกราบคลวะอย่างสูงต่อท่านเจ้าพระคุณสมเด็จที่เป็นประธานสงวันนี้นบว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัดดามาตโปรดให้ทาบุญถวายพระทหารพระสงฆ์เนื่องในโอกาสครอบรอบวันเกิด หม่อมหลวงสราลีกิติยากรณบ้านหม่อมหลวงสราลีกิติยากรในเขตพระราชาฐานวังเทเวศวันศุกร์ที่8เมษายนพุทธศักราช2559อเจ้าพระคุณสมเด็จและคณะสงฆ์ได้มอบหมายมอบปายให้อัตมาภาพเป็นองค์องค์ก่าว สำโมทนิยกถาในวันนี้ก็ผมขอกาขราบคารวะแล้วก็เก้ากับผมเองก็ยอมรับว่ากระผมเป็นพระป่าพระดงมาทั้งรุ่นที่จะได้กล่าวเรื่องเป็นภาษาสระสรวยหรือภาษาศัพท์ก็ผมยอมรับแล้วก็ขออภัยต่ อ, อพระ อ, องค์เจ้าสมสวรี ด้วยและก็มอมสราลีด้วยที่เป็นเจ้าของเรื่องแต่วันนี้อาตมาผ้าเบงจะขอกล่าวจะเรื่องทานในหลักของพุทธศาสนากับเรื่องทานเรื่องศีลและก็เรื่องภาวนาแต่เรื่องทานพวกเราคณะสัตยาญาติโยมในพื้นแผ่นดินไทยประเทศไทย ก็เป็นผู้ยินดีในการทําทานอยู่แล้วเป็นพื้นฐานรู้จักวิธีการทําทานและการรักษาศีลก็เป็นที่รู้จักกันการรักษาศีลหรักษาศีลอุโบสถตลอดถึงพระที่บวชมาในพระพุทธศาสนาก็คือศีลส2งรแต่เรื่องภาวนาภาวนาคํานี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นก้าวของผมเองอาตมาภาพเองจะได้กล่าวเรื่อง จิตภาวนาตามแนวแถวของพุท ธ, ธะเพราะว่าพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรูพ้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเสียก่อนท่านจึงได้บัญญัติเรื่องทานเรื่องศีล เ, เรื่องกฎระเบียบอื่นๆเพราะฉะนั้นต้นตอที่ว่าท่านได้ตรัสรูพ้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นท่านได้ตรัสรู้ที่ไหนอยู่ที่โคลนต้นโพท่าว่าพวกเราท่านทั้งหลาย ได้ไปประเทศอินเดียเราจะเห็นว่านี่คือที่ตัดรู้พระอนุตระสัมมาสัสมโพธิญาณของพระพุทธเจ้าท่นสถานที่ตัดรู้ของพระพุทธเจ้าแต่การตัดรู้ของพระพุทธเจ้าในวันเดือน6เพนนนั้นพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้เรื่องอะไรถ้าหากพูดตามพุทธทประวัติคือพระพุทธเจ้าท่านออได้ไปบําเพ็ญทุกทั้งหปี ออกจากเวียงวังกรุงกบิลพัทไปอยู่ที่บวชส่งผนวดที่แม่น้ำอโนมาณทีจากนั้นพรงศ์ก็ได้ส่งผนวชจะว่าเป็นพระหรือจะเป็นลือศีหรือจะเป็นนักพลดนักบวชในแนวหนึ่งเพราะท่านยังไม่ได้ตรัสรู้ในวันเดือน6แผ่นนั้นตอนยังไม่ค่ํำผ้าทศยัง พระอาทิตย์ยังไม่อัดชดงคือไม่ตกดินยังมีแสงสว่างอยู่นายโสธิยะได้นำหญ้าคาได้ไปตัดเกี่ยวหญ้าคาในละแวกนั้นได้เดินทางได้เดินผ่านเข้ามาเห็นสิทธัตถะนั่งอยู่ตามลำพังคงจะมั่งนั่งไม่สบายเพราะต้นโพมีรากฝอยลอยขึ้นมาจากดินกระปุ่มกระปําจากนั้นนายโสธิยะก็นำหญ้าคาเข้าไปถวายท่านสิทธัตถะ ท่านสีตถาได้ย า, ากาแปดกำมือกล็ลงมาเกลี่ยหาหมุมแล้วก็นั่ไปทางหันไปมองเห็นทางทิศตะวันออกจากนั้นพระองค์ก็ได้เกลี่ยยากาประสาทกันทั้งฝ่ายละสีก่กำมือจากนั้นพระองค์ก็ขึ้นได้ขึ้นไปนั่งคัดสมาธิในยากาทำเป็นบัลลังก์นทำเป็นอาสนะแล้วก็ขึ้นไปนั่งคัดสมาธิ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 เมื่อจิตใจรวมสงบลงไปแล้วเกิดยานทัศนะเกิดฌานคือความรู้พิเศษขึ้นมาในขณะนั้นท่านเกิดความรู้ขึ้นมาปุเพนิวาสานุสติยานรละลึกชาติผลหลังได้เพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาถึงใครจะพูดไปยังไงก็ตามตายแล้วเกิดถ้าเราเชื่อในหลักธรรมคำสอนของพุทธะแล้วต้องบอกว่าตายแล้วเกิดตายแล้วไม่สูน เพราะเหตุไรถ้าพระพุทธเจ้าเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวพระพุทธองค์คงจะระลึกชาติผลหลังไม่ได้อันนี้พระองค์ระลึกชาติผลหลังได้เป็นแถวยาวเยียดเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายมาณนะมาอยู่ณที่นี่นั่งอยู่ณที่นี่มาจากไหนบ้างวันนี้นี่แหละมาถึงที่นี่อันนี้คือปัจจุบันท่านนึกไปคืออดีต น, นี้พระพุทธเจ้าท่านนึกถึงอดีตที่ผ่านมาพระองค์รู้จักว่า วิญญาณของพระ อ, องค์มาจากไหนพอถึงเที่ยงคืนพระ อ, องค์ก็มองดูสรรพสัตว์คือสรรพสัตว์คือว่าสัตตะสัตตะทั้งหลายคือมวลมนุษยชาติตั้งแต่อินพรหมลงมาพระพุทธเจ้าเรียกว่าสัตว์ทั้งหมดเพราะอไลไรพ่อผู้คล่องผู้คล่องอยู่ในภพในชาติยังไปพระนิพพานยังไม่ได้เพรา้สัตตะแปลว่ายังคล่องอยู่ในภพในชาติจงเวียนจงจะต้องเวียนไหวตายเกิดอยู่พระ อ, อ, องค์ก็มองเห็นดูสรรพสัตว์ทั้งหลาย เห็นว่าสัตว์แต่ละัตว์ที่มาจากไหนมาเกิดแต่มาเกิดแล้วทําไมไม่เหมือนกันมีสูงมีต่ํามีฉลาดมีโง่มีแปลกแตกต่างกันทั้งที่เกิดเป็นมนุษย์เหมือนกันทําไมไม่เหมือนกันพระองค์ก็มองดูมองดูเห็นกรรมแต่ละดวงวิญญาณต้องมีกรรมเป็นแดนเกิดแต่ละดวงวิญญาณมีกรรมเป็นผู้จําแนกให้มาเกิดเป็นแต่ละแต่ละตัวสรพสัตวทั้งหลาย ถ้าใครทกำกรรมดีกรรมดีก็จะพาไปสู่ความสุขความสวยงามมีสติปัญญาสมความมุ่งมา่ปรารถนาคือบุญกุศลกุศ ล, ลกรรมพามาเกิดแต่ถ้าผู้ใดเป็นอกุศลคือทาบาปพามาเกิดก็บาปใบเสียจิตอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอันนี้คนที่บาปพามาเกิดแต่คนที่บุญพามาเกิดก็มีแต่ความสงบพร่มเย็นเป็นสุข อันนี้พระพองค์ได้ดูสรรพสัตว์ทั้งหลายเรยว่าจุตูปะปาตยานการเกิดของสรรพสัตว์พระพุทธองค์จึงได้ให้อวัธปาติโมวกว่าอัคตังรุกรตังเสยโยปัจชาตปติทุกตังกรรมชั่วอย่าทําเสลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นท่านมองเห็นสรรพสัตว์ท่าว่าใครทํากรรมดี กรรมีนั้นจะตามสนองถ้าไทยกรรมทำทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะตามสนองเช่นเดียวกันเพราะนั้นถึงถึงเที่ยงคืนพอถึงจวนสว่างพระองค์ก็ได้มองดูว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทำไมจึงเวียนไหยตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณพระองค์ก็มองดูมาจากไหนทำไมจึงเป็นอย่างนี้พระองค์ก็มองดูมองดูในพระทัยของพระองค์ ย้อนไปดูว่าวิญญาณนี่มาเกิดมาจากไหนที่มาเวียนว่ายตายเกิดพระองค์ก็มองดูพระองค์มองไปดูไปเห็นไปถึงตัววิชาอาวิชาปั จ, จยาสร้างฆาราสร้างฆาราปั จ, จยาวิญญาณอันนี้คือพระพุทธเจ้ามองเห็นว่าไม่เกินกว่านั้นใจตรงนี้มาเกิดมาจากความโง่คือจะเกิดมาจากความไม่รู้จากนั้นจะผลออกมาก็คือโสกะปริเทวทุกโทมณสุ พี่ให้ร้องให้พิ่อรัยรามพันธ์ก็เกิดมาจากจุดนั้นจากนั้นพระ อ, องค์ก็มองดูว่าทำไมใ จ, จดวงนี้จึงเวียนไหวตายเกิดเพราะกิเลสราคะโทสะโมหะเป็นเครื่องนำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเวียนไหยตายเกิดในวัฏสงสารจากนั้นพระ อ, องค์จึงใช้ตปะธรรมคือศีลสมาธิปัญญาการกรองไตรตองพิจารณาแยกแยะจากนั้นก็ชาระพะฒนยใจของพระ อ, องค์ หมดจดจากกิเลสจะจนลุ่งสว่างในวันเดือน6เพ่นนั้นได้ว่าได้ตัดสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณคือพระพุทธเจ้าบำเพ็ญได้ตัดสรู้รรสามอย่างปุเพนิวาสานุสติญาณจุกตูปปตาตญาณอสาวกขยะญาณอันนี้คือญาณที่พระพุทธเจ้าแต่ทีนี้มาเปรียบเทียบมาพูดเกี่ยวกับแนวแถวของ พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของพวกเราแต่สายอื่นก็มีก็ไม่ได้ยกยอปอปั้นยกยอสายหลวงปู่มั่นเลิศเลอเฟอร์เฟกอะไรแต่ว่า อ, อ, อัตมาภาพเองได้ศึกษามาแนวแถวสายหลวงปู่มั่นก็ได้นำทำแนวแถวของหลว ง, งปู่มั่นมาแนะนำบอกกล่าวให้กศัทถาญาตโยมทั้งหลายได้เรียนได้ศึกษาว่าหลวงปู่มั่นท่านสอนิาณุสิ์ของท่านอย่างไร อันนี้หลวงปู่มั่นท่านสอนสิทธิอนุสิต ท, ท่านบอกว่าก่อนที่พวกเราจะนั่งสมาธิอย่างพระพุทธเจ้านั่งที่โคลนต้นโพก่อนที่พวกเราจะนั่งสม า, สมาธิต้องหาหมุมสงบหรือหาหมุมที่ห้องพระหรือไม่ให้มีผู้คนเพ่นพ่านวุ่นวายอย่างนั้นกับปูอาชนะลงอย่างนั้นถ้ามีพระของนั่งประนมือกราบพระซะก่อนหรือนั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งที่เหมาะสม แต่เมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วนั่งขัดสมาธิแล้วหรือนั่งเก้าอี้แล้วให้ประนมมือขึ้นระหว่าง อ, อกซะก่อนคือไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะการนั่งสมาธิไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดใครผู้หนึ่งคือเป็นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้จาอย่างนั้นถ้าเห็นไหว้ครูซะก่อนพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ จากนั้นเอามือลงพราะเอามือลงแล้วก็กําหนดลมหายใจเข้าอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ภาวนาพระพุทธเจ้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นแต่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าถ้าเรากําหนดแต่ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวมันหลืมมันเลิมมันหลงเออมันหลง <c oughs> เงื่อนได้ง่าย เพราะนั้นให้สำทับกับพุทธโธเขาด้วยนะท่านก็สอนลูกศิษย์ลูกหาของท่านอย่างองลงตาลงปู่ฟัน่นลงปู่ขาวลงปู่เทศพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายลงปู่มันท่านก็สอนให้ภาวนากําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทพุทโธพุทโธให้มีสติสัมปชัญญะกับพุทโธแต่ต้องไม่ต้องตามลมเข้าไปในท้อง และกำให้ต้องตามลมออกไปข้างนอกให้เสมือนว่าเรายืนอยู่ข้างประตูเวลาคนเข้ามาผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าคนเข้าเวลาคนออกไปเราก็รู้ว่าคนออกไปไม่ต้องตามคนออกไปนี่ก็เหมือนกันเวลาลมเข้ามาในปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไปในท้องในเพียงทว่ารู้ว่าลมเข้าเวลาลมออกไปก็เหมือนกันไม่ต้องตามลมออกไปเพียงทว่าลมออกแต่บริกรรมบ่าพด เวลาออกโทพุทโทแต่จิตใจของเรามันทํามันเผลอมันหลงออมันออกไปอยู่มันออกแล랩ออกไปบ่อยท่านก็บอกว่าให้ภาวนาพุทธโธให้ทีในความสํานึกสำสำทับในความรู้สึกนึกคิดนั้นนึกคิดเรื่องอะไรให้นึกภ า, าวนาพุทธโธให้ว่าพุทธโทรพุทโธพุทธโทพุทธโท ร, ทโท ร, ทโทรอยู่กับตัวนึกคิดนั้นอันนี้แหละคือแนวแถวของหลวงปู่มั่น ที่ท่านให้แนวความคิดวิธีการภาวนากับสิทธิานุสิท์ทั้งหลายแต่สำหรับอาตมาภาพเองอาตมาภาพเคยได้ภาวนานและเคยได้แนะนำบอกว่าพวกเราอยากจะรู้ว่าการภาวนาจใจมันเผลอไปช่วงไหนมันหลงไปช่วงไหนให้พวกเราให้พวกเรากำหนดลมหายใจเข้าเวลาหายใจเข้านับหนึ่ง หายใจออกนับ2 อ, อหายใจเข้านับ3นับ4นับ5้าจนถึงร0 0ถ้าหาว่าใจมันถ้ามันเผลอมันเผลอช่วงไหนมันเผลอช่วงยังไม่ถึงส0ให้กลับมานับหนึ่งใหม่ถ้าหาว่ามันถ้ามันไม่เผลอนับไปถึงร้อยถ้าอย่างเราจะรู้ว่าเวลาหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสอง 1เลขขี้สองเลขคู่3เลขขี้4ี่เลขคู่ขี่คู่ขี้คู่ไปถึงร้อยแต่ถ้าหากว่ามันเผลอจุดไหนไม่ต้องนับต่อให้กลับมาหนึ่งหมาเพราะเราจะได้รู้ว่าจิตใจของเรามันเผลอในช่วงไหนแต่หากว่าพวกเรานับไปถึงร้อยไม่เผลอสัก3ามสีหครั้งจากนั้นเราก็บริกรรมพุทธโธต่อกําหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธต่ออันนี้เราจ ะ, จะเช็คดูว่า การภาวนาของเราเนี่ยมันหลงมันหลงมันลืมมันเผลอได้ยังไงมันเผลอได้ง่ายขนาดไหนถ้าว่าพวกเราได้บริกรรมอย่างนี้พวกเราจะรู้ได้ว่าถ้ามันเผลอมันจะเผลอยังไงเพราะมันจะเผลอมันจะเบอร์เบอร์พอเบลเอเสร็จแล้วหายใจเข้ามันจะเป็นเลขคู่หายใจออกมันจะเป็นเลขคี่มันสลับกันอันนี้แปลว่าเราเผลอแล้วอันนี้เราควรจะตั้งใหม่ถ้าหากว่าพวกเราท่านทั้งหลาย อันนี้คือฝึกหัดเรื่องสติเรื่องสมาธิถ้าว่าพวกเราพอนั่งปปมีตรเบอร์เผลอเบอร์เผล อ, อ, อไปเรื่อยๆนี่แหละอัลไซเมอร์จะเข้ามาสู่พวกเราได้ไง่ายๆเพราะฉนั้นขอให้พวกเราฝึกหัดเรื่องสติสัมปชัญญะเมื่อสติของเราดีแล้วสมาธิของเราก็จะดีไปด้วยเมื่อสมาธิดีแล้วคนที่มีสมาธิการจะคิดอ่านกานกรองไตรตรองด้วยเหตุด้วยผลเรื่องอะไร ก็จะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็เมื่อจิตสงบเน่งเข้าไปจริงๆเป็นอัปปนาสมาธิเมื่อจิตเป็นอัปปนาสมาธิจิตนิ่งเมื่อจิตนิ่งเราเราจะรู้ได้ว่ากายกับใจใจกับกายเป็นคนละอันกันนะกายกับใจร่างกายเหมือนกับรถเจดจิตใจเนี่ยคือนามธรรมเหมือนกับคนขับรถนี่แหละ ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาท่านให้ความสําคัญเรื่องโซโฟเฟอร์รถมากกว่ารถท่านจึงยกเป็นพุทธภาศีศว่ามโนปุพังค ม, มมาธรรมามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจเพราะนั้นร่างกายของเราเนี่เหมือนกับรถแต่จิตใจเหมือนคนขับรถท่านให้ความสาคัญคนรถโซฟเฟอร์รถมากกว่ารถ เพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายลเมื่อตายลงไปร่างกายแตกตายสลายหลงสู่ดินน้ำลงไฟแน่นอนแต่ว่าโซเฟอร์รถนั้นออกจากร่างไปปฏิสนธิไปเกิดในภพภูมิต่างๆอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาเนี่ยว่าปุเพนิวาสานุสติญาณลลึกชาติผลหลังได้ก็คือตัวผู้รู้คือโซเฟอร์นี่แหละ ไปเกิดในภพภูมิต่างๆเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัทธาญาติโยมทุกๆ ท, กท่านที่ได้ยินได้ฟังที่หลวงพ่อได้กล่าวสมโธนิยกรรมอัตมาภาพได้กล่าวสมโภธนิยกาถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาลกับพร้อมกันเก้าเก้ากับผมเองของกราบคารวะเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาหมูนีวงที่เป็นประธานสงฆ์และก็ครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษา อยู่ในหน้าทีนี้ด้วยและก็ขอให้พวกเราคณะสัตยาญาติโยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระ อ, อ, อ, อ, องค์สองพระองค์คือพระเจ้าวรถดพงเทพระ อ, องค์เจ้าสมสวรวลีพระวรราชาที่นัดดามาตและก็หม่อมหลวงสราลีที่เป็นเจ้าของกิจกา ร, รกิจการงานวันนี้ขออำนวยอวยพรด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพ สังขานุภาพด้วยอ ำ, อำนาจอนุภาพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุภาพพระสยามเทวาทิราชอนุภาพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติีปฏิบัติชอบขอขอให้มาคุ้มครองขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจ